ไม่เป็นแดงเกิดของทุกข์ทุกข์จึงดับไปแก่พระพุทธเจ้าและแก่พระอระหันต์ทั้งหลายส่วนความแก่ความเจ็บความตายนั้นก็เป็นธรรมดาของขันนั่นเองเพราะเมื่อเป็นสังขารก็ต้องมีเกิดมีดับ เป็นธรรมดาเหมือนอย่างสังขารทั้งปวงแต่ภูยึดถือสังขาร น, นี้ไม่มีภูที่แม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์ยิงพ้นทุกข์แต่เมื่อยังมีภูยึดถือ สังขารอยู่เมื่อสังขารแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปผู้ยึดถือก็ต้องเป็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์พราะฉะนั้นประสัมมาสมพุทติเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักทุกข์ คือรู้จักที่ตั้งของทุก์พร้อมกับตัวความยึดถืออันสืบเนื่องมาจากตันหาความลิ้นรนทยานอยากเพราะตันหาเป็นเหตุให้ยึดถือเพราะมีตันหาความลิ้นรนทยานอยากเป็นเหตุอยู่ ขันจงเป็นที่ยึดถือและเป็นอุปธิเป็นคือที่เป็นที่เขาไปทรงไว้แห่งจิตใจจึงเป็นแดนเกิดของทุกข์และตัณหานี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ขันนี้เองเหมือนอย่างไฟที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่เชื้อของไฟ ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ไหนและเพราะตัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ขันจึงทำให้ขันเป็นที่ยึดถือขึ้นมาและเป็นอุปธิเข้าไปทรงไว้แห่งจิตใจ ก็คือเข้าไปทรงทุกข์ไว้ประกอบทุกข์ไว้ในจิตใจเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาจึงตรัสสอนให้พิจารณาว่าขันเป็นที่ยึดถือซึ่งเป็นอุปธินี่แหละคือที่เป็นปิยรูปสาตรูป คือเป็นสิ่งที่รักใคร่เป็นสิ่งที่สำราญบานใจเมื่อเป็นสิ่งที่รักใคร่เป็นสิ่งที่สำราญบานใจ ตันหาจึงบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นที่สําราญเบิกบานใจนี้อันลักษณะดังนี้ก็เป็นลักษณะของคําที่เรียกว่าราคะความติดใจยินดีนันทีความเพลิดเพลิน ราคะความจิตใจยินดีนั้นก็ทำให้เป็นสิ่งที่เป็นที่รักขึ้นมาความเพลิดเพลินยินดีนั้นก็ทำให้เป็นสิ่งที่สำราญขึ้นมาคือว่ามีความรักติดใจยินดี และมีความสำราญคือมีความสุขโสมนัสอยู่ในสิ่งนั้นอันราคะใจยินดีหรือปียาตาความเป็นที่รักและนันทิคือความเพลิดเพลิน หรือว่าความเป็นสิ่งสำราญหรือว่าความสุขโสมนัตนี้มีประจำอยู่ในจิตใจของสา ม, มัญบุทคลชนทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปิยรูปสาตรูปเป็นบัญญัตธรรมะขึ้นอีกชื่อหนึ่งว่าปิยรูปสาตรูปคือเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่รักประกอบด้วยราคะ สิ่งที่เป็นที่สำราญประกอบด้วย น, นันทิความเพลิดเพลินหรือสุขโสมนัสสิ่งนี้แหละมีอยู่ในบุคคลทุกๆคนที่เป็นสามัญญบุตรชนและก็ไม่ใช่เป็นสิ่งอื่น แต่ก็เป็นกายและใจนี้เองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกออกโดยเป็นปัจจุบันธรรมสำหรับให้พิจารณาได้จับตั้งแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอก และเมื่ออาจตนะทั้งสองนี้มาประจวบ ก, กันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาเริ่มเป็นนามธรรมคือสำเร็จเป็นการเห็นเป็นการได้ยินเป็นการได้ทราบเป็นการได้รู้ทางมโนคือใจ นี่คือวิญญาณและเมื่อเป็นวิญญาณขึ้นมาก็เป็นสัมผัสคือความกระทบอันหมายความว่าอาจรณะภายในภายนอกกับวิญญาณทั้งสามนี้มารวมกันมาประจบกันเรียกว่าสัมผัส ความกระทบโดยตรงก็คือว่าสัมผัสถึงจิตใจเมื่อกระทบถึงจิตใจก็เป็นเวทนาขึ้นมาคือกระทบดีก็เป็นสุขกระทบไม่ดีก็เป็นทุกข์กระทบเป็นกลางกลางก็เป็น กลางๆ ก, ก็เป็นเวทนาขึ้นมาและเมื่อเป็นเวทนาก็ย่อมเป็นสัญญาคือความจำหมายเมื่อเป็นความจำหมายซึ่งเรียกว่าสัญญาก็เป็นสัญเจตนา คือความจงใจปรุงคิดก็จงใจปรุงคิดสิ่งที่จำหมายได้นั่นแหละจะไปปรุงคิดสิ่งที่จำไม่ได้นั้นหาได้ใหม่ จะปรุงคิดได้ก็ในสิ่งที่จำหมายไว้ได้และเมื่อปรุงคิดไปตันหาจึงเกิดขึ้นในตอนนี้และเมื่อตันหาเกิดขึ้นในตอนนี้ก็ย่อมจะมีวิตกคือความตรึกวิจาร์คือความตรอง ไปต่างๆตามอำนาจของตันหาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสชี้ลงไปว่าตันหานั้นที่เป็นตัวทุกข์กสมุทัยเหตุในเกิดทุกข์ยังเกิดขึ้นที่ อายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเรียต่อพระและธรรมะคือเรื่องราวที่วิญญาณที่สัมผัสที่เวทนาที่สัญญาที่สังเจตนานี้เอง และเมื่อเป็นตันหาขึ้นมาตันหาก็เกิดขึ้นที่ตันหานี้เองด้วยและบังเกิดขึ้นที่วิตกวิจยัยความเร็กความตรองเพราะฉะนั้นก็ให้จับพิจารณาให้รู้จักว่า กายและใจที่ตรัด จ, จำแนกออกไปเป็นปัจจุบันธรรมดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนของกายและใจที่เป็นไปอยู่แต่เมื่อเป็นกายและใจของสามั ญ, ญบุรุษชน ซึ่งยังมีปิยรูปสาธรูปฝังอยู่ในจิตใจเป็นอาสวะอนุสัยอาสวะอนุสัยนี้จึงได้กำเริบขึ้นมา ทำให้กาละใจทั้งหมดนี่เป็นปีรูปส า, ารูปอันเป็นที่มังเกิดขึ้นตั้งอยู่ของตันหาเป็นปัจจัยของตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากและทั้งตันหาเองก็เป็นปัจจัยของตันหาความดิ้นรนทยานอยากที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้น จึงเป็นเหมือนอย่างไฟมันเกิดขึ้นที่เชื้อของไฟดังกล่าวนั้นคราวนี้ในด้านดับก็เช่นเดียวกันเมื่อได้มากำหนดพิจารณาให้รู้จักทุกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน รวมเข้าก็คือว่าขันเป็นที่ยึดถือเป็นตัวทุกขันนั้นก็เป็นขันแต่เมื่อมีความยึดถือเพราะอำนาจของตันหาความริโนธยานอยากอันเสิบมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราขันก็เป็นอุปธิขึ้นมาเป็นที่เข้าไปส่งทุกข์เอาไว้เป็นแรงเกิดของทุกข์จึงเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์ต่างๆตา ม, ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัสชี้เอาไว้ก็เพราะเหตุนี้และ เมื่อกำหนดดูให้รู้จักที่ตั้งของทุกเหล่านี้คือขันธ์ที่ตรัสสอนไว้หนึ่งเรื่องที่ตรัสสอนให้พิจารณาให้เห็นเกิดเห็นดับดังแนวสติปัฏฐานที่ตั้งสติกำนดฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรม เป็นสองชั้นชั้นแรกก็คือว่ากายเวทนาจิตธรรมมีอยู่มีอยู่ในสติไม่ใช่มีอยู่ในที่ไหนเพราะอันที่จริงนั้นกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็มีอยู่ต า, ตามธรรมชาติตามธรรมดา แต่ว่าสาหรับที่มีอยู่ในทางปฏิบัตินั้นหมายความว่ามีอยู่ในสติคือสติกำหนดให้ให้เห็นให้รู้ว่ามีอยู่กายมีอยู่เวทนาจิตธรรมมีอยู่ใครเห็นว่ามีอยู่ดังนี้ ก็เป็นสติปัฏฐานขั้นสมถะและเมื่อมองเห็นความเกิดความดับของกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานก็เลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงเ ป, ปเป็นมีปัสนาแม้เป็นมรรคต่อไปเมื่อเห็นเกิดเห็นดับดังนี้ก็เป็นสติปัฏฐานเต็มขั้น ปัญหาจึงไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ในสิ่งที่ดับก็ไม่มีอะไรจะตั้งตัญหาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่นั่นก็ตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิ่งที่เกิดและตั้งอยู่ดำรงอยู่แต่เมื่อเห็นเกิดดับหรือเห็นดับตัญหาก็ไม่มีที่ตั้งปัญหาก็ต้องดับจึงดับไปที่ปรีรูปสารรูปนี้เอง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 และสืบไปปัญญาดังที่เราทั้งหลายได้ฟังและได้พูดกันอยู่เสมอว่าศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญานี้ อาจขยายออกไปเป็นมักมีองแปดและมักมีองแปดนั้นก็เป็นอริยสัจข้อที่สในอริยสัจทั้งสซึ่งเป็นคำสั่งสอนหลัก แห่งพระพุทธศาสนาอันได้แก่อริยสัจคือทุกคือทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกคือทุกขนิโรธความดับทุกขและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก หรือเรียกสั้นว่ามัคมัคคือทางที่มีองแปดอริยสัตว์ทั้งสีน่นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาคือในเทศครั้งแรกของพระองค์ ที่ทรงแสดงแก่ฤาษีห้าท่านซึ่งเรียกกันว่าพระเบญจวคีโดยที่ได้ตรัสประกาศ ทางปฏิบัติของพระองค์ตั้งแต่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์คือยังไม่ได้ตรัสรู้ว่าได้ทรงละทางที่เป็นสุดตรงทั้งสองคือกามะสุขันในการุโยก ความประกอบตนผัวพันไว้ในทางกรรมสดชื่นอยู่ในกรรมและอัตกิลมทฐานุโยความประกอบตนทรมานตนให้ลำบากทรงปฏิบัติในทางอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางกลาง คือไม่คองแวะเกี่ยวข้องกับทางทั้งสองที่ทรงละนั้นและก็ได้ตรัสแสดงต่อไปว่าก็คือมัสมีองแปดแต่เมื่อได้ทรงปฏิบัติในมัสมีองแปดสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ก้อนทรงได้ยานคือความอย่างรูปผดขึ้นในธรรมะที่ไม่ได้เคยทรงสดับมาแต่ก่อนวันนี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนี้ทุกข์นิโรดความดับทุกนี้มักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก และทรงได้พยายาณคือความอย่างรู้อีกด้วยว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละนีรดความดับทุกข์ควรกระทําให้แจ้งและมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ควรปฏิบัติทําให้มีขึ้นให้บริบูรณ์และทรงได้ยานคือความอย่างรู้อีกด้วยว่าทุกได้ทรงกําหนดรู้แล้วสมุทัยเหตุให้เกิดทุกทรงละได้แล้วนิโรธคือความดับทุกทรงกระทําให้แจ้งได้แล้ว มักคือทางปฏิบัติให้ถึงความลบทุกข์ทรงปฏิบัติให้มีบริบูรณ์แล้วดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าในตรัสรู้พระสัมมาสัมโพทธทิญาติคือความตรัสรู้เองโดยชอบ แล้วพูดสั้นๆว่าดนตรัสรู้เป็นพุทธโธคือเป็นภูตรัสรู้แล้วดังนี้เพราะฉะนั้นอริยสัตว์ทั้งสี่นี้จึงเป็นธรรมะหลักในพุทธศาสนา ได้ตรัสแสดงประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ในอริยสัจทั้งสี่และความตรัสรู้ของพระองค์นี้จึงจำแนกออกได้ในทางที่จะต้องพูดอธิบายกันว่าประกอบด้วยยัน คือความอย่างรู้ทั้งสามคือหนึ่งสัจจยานความรู้ในสัจจะคือของจริงหรือความจริงสองกิจจยานความรู้ในกิจคือหน้าที่สึ่งพึงกระทา ในสัจจะคือของจริงนั่นสามกตยานความรู้ว่าได้ทากิจที่พึงทํานั่นเสร็จแล้วดังนี้ยานความรู้ในสัจจะคือของจริงของแท้นั่นก็คือรู้ว่า นี่ทุกนี้สมุทัทยเหตุให้เกิดทุกนี้นินโรธความดับทุกนี้มักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือได้ตรัสรู้ว่านี้เป็นทุกจริงนี้เป็นสมุทัทยคือเหตุให้เกิดทุกจริงนี้คือเป็นนิโรธคือความดับทุกจริง นี่เป็นมรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงคือรู้สัจจะความจริงในทั้งสี่ข้อนี้ว่าแต่ละข้อเป็นดังนั้นจริงและคำว่านี้ก็หมายถึงภายใน ก็คือตรัสรู้ภายในที่กายและจิตนี้เองเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงไว้ในที่อื่นในภายหลังว่าทรงบัญญัติทั้งสี่ข้อนี้ในกายที่ยาววามีสัญญามีใจครองนี้ดังนี้ นี้เป็นสัจญานกิจยานรู้ในกิจคือหน้าที่ที่พึงกระทาในทั้งสี่ข้อนั้นก็คือข้อทุกมีหน้าที่ซึ่งปฏิบัติกำหนดรู้คือให้รู้ว่าเป็นทุกจริงสมุทยัย เป็นข้อที่พึงปฏิบัติละเสียก็ได้แก่ตัญหาความดิ้นรนทยานอยากที่ทรงชี้เอาไว้ก็คือบรรดากิเลสตลอดจนถึงอกุศลทุจริตทั้งหลายข้อนี้รอดคือความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้ง คือให้รู้แจ้งแจ้งขึ้นที่จิตใจของตนเองว่าดับตัญหาเสียได้ทุกข์ก็ดับไปหมดมักมีหน้าที่พึ่งปฏิบัติก็คือทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น